นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโต สัมมาามพุทาอุปเาบลมีสัมปันโนอิติปิโภะคาวะอุปเาอุปปบลมีสัมปันโนอิติปิโสภะวะอุปเาลมัตถามีสัมปันโนอิติปิโสภะวะ <c oughs> นาบัดนี้จะได้แสดงอุเ ป, ปขาปรมีของจันทะกุ ม, มารผู้ที่ได้รับอันตรายหลายประการแต่ไม่ถึงซึ่งความตายของต้นพ้นภัยไปได้ ตนของตอนแปลว่าวางอุปปีขาบารมีอยู่จนตลอดไปอันนี้แปลว่าในการบุคคลผู้สร้างบำเพ็ญบารมีของตอนเมื่อบารมีเกะขึ้นมาทลัยอันตลายก็มากขึ้นจนตลอดเป็นระดับ กันมาเมื่อข่าวท่านเป็นจันทะคุมมานพอของตอนนั่นเองมีพระเมษเจ้าถึงสี่องค์และมีน้องชายชิงสามคนสี่ทั้งตัวเจ้าของ เป็นผู้ที่ทำการทำงานบ้านเมืองปกักการใหญ่ๆช่วยเหลือกับพ่อของตนตลอดไปทุกระยะแต่ว่านิบุพกรรมอย่างหนึ่งของตนนั่นเองเกิดขึ้นมาเมื่อเวลาเมื่อพอนอนหลับไปก็วันว่าได้ไปสู่สวรรค์ ได้เชวยผลนความสุขนางเทวดารูปร่างถึงพันวันงานวันนะอันงามตลอดถึงลัทมีในหลามกายปิ่นฟังบ้านเือนอะไรไม่มีการสุกกระปรุกประกันใดๆและความร้อนก็ไม่มีความหนาวก็ไม่มีสัตว์สิ่งเดียดสานในไรก็ไม่มี และอะไรทุกอย่างอันสิ่งที่จะเกิดให้ทําสุขกสกกุขไม่มีอยู่ในผูกบนสวรรค์และกลาอรอรืออาหารการกินพักกันในเขาก็กินแล้วก็สมบูรณ์ไม่มีความกังวลในการจิ่ไปภายอีกต่อไปกินเข้าไปแล้วก็เป็นธาตุวิตจมิน ละลายมดในร่างกายไปเป็นธาตุขันไปหมดทั้งน้ำและทั้งอาหารตลอดกันไปผ้านุ่มโงมจะเปลี่ยนสีไหนก็จะเปลี่ยนได้ตามความสบายใจเปลี่ยนสีขึ้นมาทันทีเมื่อไม่ต้องการสีนี้แล้ว การอยากได้สีโน้นก็ขึ้นมาทันทีเกิดขึ้นเปลียนสีขึ้นทันทีเหล่านี้แปลว่าทางบนสวรรค์ไม่มีโจรไม่มีคขโมยไม่มีคนที่ะทำ ร, ร้ายเบียดเพียนซึ่งกันและกันไม่มีใครที่จะแย่งชิงกินซึ่งกันและกันประกันในใจ อยู่ตามสมบายใจมเจนาที่ความละเองบันเทิงอยู่ตลอดไปเป็นนิดเมื่อตนของตนตื่นจากนิมิตอันนั้นมาแล้วก็เลยเกิดความห่วงความอาลัยคิดถึงที่ตนของตนอันไม่ขวันไปสู่สวรรค์ แล้วก็เรียกทางปลโลหิตตาจาย์กันมาหลายคนมาพูดกันทมอย่างไรจึงจะได้ไปสู่สวรรค์บางคนก็ว่าทาบุญบางคนก็ว่ารักษาศีลบางคนก็ว่าตัดความห่วงอะไร บางคนก็วาละความกโกรธใดๆบางคนก็วาละความหลักใครผูกพันกับใครๆข่ตางนั้นบางคนก็วาละลึกถึงศีลของตนตลอดไปเป็นนิดบางคนก็วาละลึกถึงของทานเจ้าของตลอดไปต่างคนต่างทำนายกันว่าประกันใด อีตาคลาหะพามคนนั้นแปลว่ามันเป็นคนนิสัยในการกกงชาวบ้านกกงให้ลาสุดโดนวินิสัยตัดสินถ้อยความประการใดคนไหนที่เขาได้เงินมากคนนั้นชัยชนะคนได้เงินมันน้อย คนนั้นต้องแท่กันไปต้องเป็นอยู่อย่างนั้นทุกขั้มทุกข์าวตลอดไปเป็นนิดจันทกุมมารนั้นไม่พอได้อยู่บ้านไปอยู่กับไพลาสุดอยราสุดอนฟังเสียงกิติศัตว์ของราสดอน เขาจะมีอาการอย่างใดแปลว่าเป็นผู้ไปสังเกตการละไท่ลาสตะดอนทางในเมืองและขาบ้านนอกตลอดกันไปทุกแห่งทุกคนหนเขากราบทูลโอ้ยปมเจ้าอุ้ยขอให้พระองค์เจ้าถอนออกเถิดถนที่ภากสาอุปราด ค, คนนี้ มันกินชินบนคนใดมีเงินคําคนนั้นชัยชนะคนใดที่ไม่มีเงินคํำมากคนนั้นต้องแพ้กันไปและสิ่งของที่ถูกต้องนั้นมีอยู่แต่ว่าตัดสินเอาผู้มีเงินชัยชนะตลอดกันไป คนทั้งหลายก็ออกเกิดความละอาทุกประการแล้วขอให้ไปกราบทูลพ่อเจ้าได้เถิดพวคนทั้งหลายราชดอนทุกแห่งห น, นจะไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไม่ได้คิดในอ่านถึงกโลหิตคนนี้และอิตาคนนี้นั่นเอง มันเป็นคนโกงอยู่อย่างนี้ตลอดมาเมื่อจันทคุมารเข้าไปกราบทูลพระมิรดาบอกเล่าให้ฟังประวัติของราชดรหลายครั้งหลายคราวก็เลยถอนอิตานี่ออกจากในการลากการประกันใดๆ แต่เกก็ขูกพยาเยบาทกับจันทกุมานอย่างเด็ดขาดเลยต้องจะฆ่าให้ได้เป็นแน่เมื่อเวลาพระบิดาของจันทกุมานขวัไปสู่สวรรค์แล้วเอามาทำนายทุกๆอาจารย์ต่างคนต่างออกความเห็นกันไปทุกอย่าง อิตาคระพามว่าต้องตัดในความห่วงอะไรจึงี่ได้ไปสู่สวรรค์คันถ้าความห่วงความอะไรมีอยู่แล้วในจิตใจของตนอย่างใดไม่ต้องเลยไปที่นั้นเหมือนกับเชือกที่ผูกติดไว้แล้วตัวของเราจะไปได้อย่างไร เพราะเขาผูกติดมัดไว้แล้วอิตากษัตริย์ก็เอ่ยขึ้นถามว่าอะไรจะเป็นเครื่องผูกพันในโลกเครื่องผูกพันอันเหนียวแน่นที่สุดนั้นหนึ่งจันทกุมาณน้องชายของเขาอีกสามคนเป็นสี่คนสีอะคาเมศีทางสี่คน เละสะ ส, สี ส, สนาทิบุดีทั้งสีห้าเศรษฐีทั้ทงสีหกช่างพธทินังทั้งสีจิตมาพธทินังทั้งสีแปดคูพยาคูทั้งแปะทั้งสี่ตัวอันนี้ละแปลว่า ที่ความผูกพันในจิตเมื่อบุคคลผู้เป็นใหญ่เป็นตัวขึ้นมาแล้วชิงเหล่านี้ผูกพันผูกพันในจิตแล้วเมื่อหนีจากสังขารร่างกายอันนี้ไม่ ไ, ไปที่ไหนก็ต้องหมุนหาเกิดเยอะก็พวกเหานี้ตลอดกันไปเมื่อตัดได้ชิงเหล่านี้ออกไปหมดแล้วไม่มีอะไรห่วง อ, อะไร ห่วงใหญ่ในชิงเหล่านี้ไม่มีก็ต้องได้ไปสู่สวรรค์แน่นอนอา้าวทำอย่างไรเพียงแตัดเขาไรข้าตังฑ์จันทคุมมานทางสีไม่ศีทางศีเสนาทิบุดีทางสีเศรษีทางสี ช้างทั้งสีมาทั้งสีโคทั้งสีเหล่านี้เองอันละสีละสีมดเหล่านี้หมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะผูกพันในจิตตนของตนงานาทีต้องจะได้ไปสู่สวรรค์แน่นอนผู้พอก็เลยเกิดอึ้ตั้งขึ้นมาทันทีก็จัด การไปจับจันทกุมารก่อนคนอื่นมามัดไว้ทัท้ทีลูกทัง้งขีมัดไว้ไม่ขีทัง้งขีมัดไว้เสนาธิบดีทางสีก็มามัดไว้เล ส, สิฐีทางสีก็มามัดไว้ส้างสีตัวมาสีตโคสีตั ว, ตวมัดไว้แล้ว หน้าที่อันเจะลงประหารชีวิตต้องสิ่งเหล่านี้ให้เป็นบูชายันอีกด้วยนะต้องให้เขาจัดการขุดหลุมบูชายันในป่าชาแล้วตะเกก็เลยเป็นผู้ห่หน้าไปควบคุมในการขุดหลุมจะบูชายัน คนทั้งหลายก็ร้องให้หมดทางบ้านทางเมื อ, พองพมพากันตระกูลของเศรษฐีก็ให้พอตระกูลเศรษฐีผู้ที่ฉงเคาะไผ่ลาดเถึดดอยเสนาที่บูรีตระกูลเล่านั้นก็พมพากันร้องให้ช้างมาเ่านั้นก็ร้องให้กันคุ้นจันทะกุ้มมานก็นั่งสวยอยู่อย่างนั้น เขาก็มาขออ้อนวอนทุปปกกันขอแนวขอเราขอให้องค์พระลูกไม่มีใครที่จะแก้ไขเรื่องนี้กันได้จันทคุ ม, มารจึงได้ขอให้ผู้ที่นายคุมเอาข้าไปเทอะเลยเอาไปหาพระหมหากษัตริย์บอกว่า อง พ, อพ่อเจ้าอันเรื่องนักปราชญแต่โบราณพ้นวางไว้แล้วตำรับตำลาทุกหลายกาัดผู้ที่จะได้ไปสู่สวรรค์นั้นหนึ่งมีเมตตาแกัตว์ทั้งหลายในโลกสองการแบ่งปันศับดิ์สินเข้าของเงินทองสามเคารพคนเท่าคนเก่ครูอาจารย์ ที่ตนของตนลึกถึงสินของตนคือสินห้าจิตตนของตนนั่นเองเป็นผู้พิจารณาว่าโลกอันนี้มีการเกิดการตายตลอดไปแปดตนของตนนั่นเองต้องเป็นผู้ตั้งอยู่เป็นกลางแปลว่าไม่มีการอิจาใาเบียดเป็นใครๆ ในใจของตอนตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดไปจึงจะได้ไปสู่ความสุขบุคคลตั้งอย่างนี้ในตำรับตำลาของเกาเกก็มีกันมาองคพระพเป็นผู้ได้ เ, เล่าเรียนศึกษารู้จักพวะทุกหลยการแล้วจะหลวงประหับประหารข่าสัตว์อย่างนี้มันไม่ถูกอ่า เมืองพูดก็ถูกแล้วถูกจริงออาปล่ อ, อ ย, อยปล่อยไปหมดแล้วอิจตาคาระผามก็มาพูดขึ้นอีกเป็นพระมหากษัตร์พูดเป็นสองคำไม่พูดเป็นคำเดียวธรรมดากษัตร์พูดคำใดต้องเป็นคำนั้นตลอดไปทำอย่างนี้เป็นกษัตรเดียวไหล ใช่การมาได้อิตาคละาพามแต่ว่าตะเกเป็นอาจารย์อาวุธสูผู้ใหญ่มาก่อนคนอื่นไปหมดเอาก็ลงมือจับอีกลูกชายก็ไปแก้ไขให้คุณพ่อขึ้นให้ดีบ้านเมืองได้รับความเดือดร้อนปักกันใด ใ, นในทุกอย่างไม่มีใครจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ นักวันจะเป็นภัยอันตรายประเทศต่างๆเขาจะเห็นว่าเมืองนี้ไม่สัมมคีกันแล้วเขาก็แย่งชิงทรัพย์สินเข้าของประเทศชาติของตนกล็ล่มจมหายไปหมดไม่มีอะไรที่เป็นบ้านเมืองต่อไปเพราะตนของตอนนั่นเองหาดปัญญาคิดอ่านพิจารณาแปลว่าการเปลดดียนเดี๋ยวนี้ ตระกูลของเสนาธิบ ด, ดีทั้งสี่ <c oughs> เขาก็มากมมยหลายที่สุด <c oughs> เป็นกำลังทงหงท า, หารประกันในดตระกูลของเศรษฐีก็บแบ่งปันเงินคำสมบัติไพลาสระดอนการอยู่กินตหลอเทิงการทาหารก็รช่วยเหลืออยู่ทุกประการและพ่ะเมเจ้าทั้งสี่ อันนี้แปลว่าเป็นที่อยู่ดูแลไพลาสุดรเขาสักกระบูชานับถือตลอดไปและช่วยเหลือไพลาสุดรทุกประการลุงพ่อทำอย่างนี้คิดให้ดีไม่ถูกอ้าวมึงขู่ถูกริงอย่างนี้ก็ปล่อยไป พอเป็นล้วอีตาครับความก็เอาขึ้นอีกแม้กษัต์นี่พูดไม่ได้เรื่องไม่ได้ความพูดอะไรกันทำอะไรกันไม่เด็ดขาดทำอะไรทุกอย่างตนของตนเป็นคนที่ขาดไม่รู้เพราะว่าอันสชิงที่ทำของตนอย่างนี้เองเป็นกษัตริย์อย่างนี้ใช่การไม่ได้ ต้องทำให้เด็กขาดทุกรายการที่ทำอะไรลงไปอ้าวจับขึ้นมาอีกขั้งที่สามขึ้นมาอีกเอาเขากาไปไหววอนจันทกุมารอีกเล่าจันทกุมารก็เข้าไปกาดทุนองค์พระพอเจ้าและตัวของเรานนนรักชีวิตไหม รักชีวิตคนอื่นก็รักเหมือนกำเดิกับตัวของเราถาาขันมีการเจ็บปวดก็ต้องหาหยุกยาตลอดไปทุกลาลกาันและนี่ฉันใดคนอื่นเขาก็มีความรักใคร่ในรูปของตนที่เกิดขึ้นมาแล้วทุกประการ ทิงในโลกพระการใดแปลว่ารักอยู่ในผิพกรักอยู่ในชีวิตที่การเกิดมาไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์ต้องกลัวถึ่งความตายตลอดไปใค้ให้ทำให้คนอื่นตกอกตกใจทำให้คนอื่นนั่นเกิดความยุ่งยากเรือความเสียอกเสียใจความทุกข์แค้พระการในใด ทิ้งเหล่านี้เป็นบาปนะบัณฑิตทั้งหลายป้นไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้รับผลแห่งความทุกข์ประการใดองค์พพอทำอย่างนี้คิดอ่านให้ดีแปลว่าจิตของตนต้องเจริญเมตตาแบ่งปันสัพสินเท่าของบูชาเคารพคนเท่าคนเกออ้าวมึงพูดก็ถูกจิงมวยก็ปล่อยไปอีกแล้ว เอาอีกข้างที่สีอิตาพามก็มาเย่างกันอีกจนตลอดวันนี้จับลงแน่นอนขึ้นมาเลยกับพรมพากันคุมไปป่าชาอ้าคุมตัวไปหมดทางช้างสีตัวมาสีตัวเสร็ีสีคนสีนาทิบดีทางสีอัคคะเมสีทางสี องพระบุตรพลูกทางสี่อันนี้พวงลูกเมของสะพายลองไห้อะไรคู่คนชาวบ้านเมืองล่องไห้ละหนุ่มละนาศกันทุกแห่งคนเขาเข้าไปหาจันทกุมารจัรทกุมารเอออตายก็ตายเถอะตายแล้วก็เกิดใหม่แก้ไขทุกอย่างแล้วเขาไม่ฟังตายก็ให้แนวแลกกันไป จะให้เป็นทุกขลำบากพอว่าอย่างนั้นเขาก็ออกไปประชาะก่อนโคกแาวบ้านที่หลุมเชื้อบูชาไปเห็นอิตาคณะความกับหลุกน้องบริวารของตะเกงสุมไฟวไว้เรียบร้อยเชี่ยมเหลาวไว้เรียบร้อยเหลาแหลมไว้หมดทุกอย่าง ที่จะแทงคอของจันทกุ ม, มารจะเอาเลือดคอบูชาตั้งห้างบูชาไว้เรียบรอ้อยหานบูชาไว้ที่พลีพอเห็นว่าโอ้เป็นกบิตานี่แล้วฉันทานานผมพากันหลุมเข้าไปกันไม่ทันให้ตะเกคิดไายหัวกันช้อมกันจนเหลวมัดเปนยังอะไรทุกอย่าง มดเรื่มพดฆ้าหมดแล้วเขาก็พบว่าเขาไปหาเล้วจะเอาข่ากษัตริย์อีกและจันทพุมารยังไงไปขอไหวขอวอนในนบไหววอนกับไพ่หลากจะโดอนสาวบ้านทุบประการเอาคัน่าอย่างนั้นคัน้าพระองค์เจ้าจะขึ้นสวยของลาะแทนพระวิดาพกะฆ้าพระองค์ทั้งหลายก็จะไม่ค่า ท่านท้าไม่รับรองใช้กษัตริย์องค์นี้ขึ้นครองราชอีกอย่างเก่าแปลว่าไม่ฟังคำของท่านจะฆ่าทิ้งในเวลาบัดเดี๋ยวนี้เองจันทกุมมารยังนีประกาศปฏิญญาณตนของตนจะขึ้นสวยครองราชแทนพระวิดาแล้วจึงในจัดการเอากษัตริย์องค์นั้นไปปลูกไว้นอกบ้านนอกเมืองที่ไกล เอาทหารไปรักษาไว้ตลอดแปลงบ้านผูกตอบไวาให้อยู่ตลอดไปมัดตัวมันไว้อีกด้วยชาวบ้านก็จัดการมัดอย่างนั้นตลอดจนชุดช่ถึงตายจังทักกุ ม, มารทังขึ้นในสวยคองลาดตลอดต่อไปอันนี้ละเรียกว่าอุปเปกขาปรมีสัมปันโนอิติปิโสปะควา อุเปเฆาอุปปาลมีสัมปันโนดิปิโสภะควาอุเปเฆาปัมัทะปัลมีสัมปันโนดิปิโสภะควาการหาพามคนนั่นกับหลูกน้องของมันหลายคนเขาซ้อมตายหมดเรียบกระดูกขุงไปหมดเลยคนชาวบ้านพากันลุลุมนี่ลุมลงตทีทันทีแล้วก็ตายทันทีไม่ยางจับกี่คนเลย อันนี้เรเรียกว่าคืออุเปขาปรามีของจันทอุ ม, มาณผู้เกิดมาพุพระพบิดาผู้โง่ขวัญว่าได้ไปสู่สวรรค์ต้องการอยากจะไปสวรรค์จะทำอย่างไดผู้ยุยาขึ้นมาคือผู้เป็นอาจารย์อาวุโสเคยได้เล่าเลนศึกษา นำคนผู้นี้กันมาตั้งแต่กนเก่านี่เาเรียกว่าการคบคบปะบุคคลผ่านผ่านัาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลคบคนจนพาตัวเราทำชั่วคบคนชั่วพาให้ตัวเราตกตำ่ำ อันนี้พูนแนวกว่าคบพบปะบุคคลที่ไม่ดีให้เราทุกคนจงคิดนึกในตัวของเราที่เกิดมาในโลกคันถ้าไปพบปะบุคคลที่ไม่ดีแล้วอันความชั่วของพวกเรามันมีอยู่ในใจ มันลุกขึ้นมาทันทีบังคับจิตใจของเราให้เกิดความยินดีต่อบุคคลผู้นั้นทันทีเมื่อตัวของเราพบพบปะบุคคลผู้ดีความดีของเรามีกำลังลุกขึ้นมาบังคับจิตใจให้เกิดความยินดีต่อบัณฑิตทันที ผู้แนะนำสั่งสอนหลอกนี่หลกหน้าบุญบาปภะกัน ใ, นใดๆนี่แหละจึงขึ้นเชื่อว่าบันดิตานั่นจะเสวันนาแปลว่าการพบปะการช่องเสพ บ, บัณฑิตอเสวันนาจะพาลันนังการครบคนผ่านแปลว่าให้ทำความเสียหายเกิดขึ้นในชีวิตนี่และชีวิตหน้า เอตาคะรความคนนั้นชุดท้ายได้มาเกิดในโลกได้เป็นพระเทวทัตจันทกุมาร น, นั่นเป็นองค์พระพุทธเจ้าของเราเหล่านี้แปลว่าความรองไห้อยู่ตลอดกันไปผู้เป็นเมียของจันทกุมารอันนั้นได้เก่นางพิมพา ชนพวกเหล่านั้นเป็นญาติชาติตระกูลของท่านกกอันกันอันเดียวกันขึ้นเป็นบริวารของพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละเรียกว่าคนผู้ฝึกผลตนของตนเป็นคนผ่านตลอดไปเป็นนิดชีวิตใดก็มีจะเรื่องหาเบียดเบนคนอื่นหาเอาเปรียบคนอื่นตลอดกันไป ถือว่าเอาเปรียบคนอื่นได้อันนั้นเป็นการดีตลอดไปเป็นผู้วินิสัยเป็นผู้วิสัยในการที่การเป็นท่อยเป็นความประกาในใดแปลว่าเป็นพิพากษายกพวกเราสมัยนี้ตำแหน่งพิพากษาอีกด้วยตำแหน่งอุปราชอีกด้วย ตำแหน่งเป็นอาจารย์ของเจ้าอีกด้วยของตะเกรที่ทรมิจะเรื่องมีอำนาจจะพองสูงขึ้นมาตัดสินหาทิ่ขีหาเงินตลอดกันไปทุกอย่างนั่นเองตูตะเกงไม่จะเอาลายได้บุคคลใดมีเงินมากคนนั้นก็ต้องใช้ชนะ จะพิถอะไรไม่เข้าใจขอให้ได้เงินแลว้วะชนะกันได้ทางนั้นนี่เรียกว่าอิตาคารภพามเขาตรงทำอย่างนี้ตลอดกันมานี่ละให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าในการเกิดในโลกของพวกเราต่อไปภายข้างหน้าให้พ้มพากันตั้งจิตใจคิดอ่านให้ดี ฝึกผลในชีวิตนี้อยู่จนตลอดไปอย่าไปพบปะคนผ่านไปพบปะคนชั่วมันชักจูงตัวของเราให้ตกต่ำลงไปสูน่นรกไม่มีละตัวของตอนจะได้รับผลความสุขความยินใจอิตาคะละความคนนั้นตายชีวิตนั่นแล้วก็ลงไปสูน่นรก นมนานที่สุดไม่ได้มาเกิดได้ง่ายๆไปชูอวิจีอันนี้แปลว่าอิตารคามคนนี้มันต้องหาพิธีอยู่ตลอดกันไปชีวิตใดๆมันต้องหาเอาเปรียบคนอื่นตลอดกันไปมันเกิดมาได้ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราทุกๆคนการเกิดมาในโลกอย่าไปเอาเปรียบคนอื่นอย่าไปทำลายคนอื่นต้องใช่เมตตาสงเคราะห์ดูแลซึ่งกันแนกันฝึกหัดนิสัยปัจจัยอันสิ่งที่ไม่ดีมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีจนตลอดกันมา อิจฉาช น, นะมิจะเรื่องไม่ฟังคำบุคคล ใ, ใดๆอานี้กินไปตามความพอใจเล่นไปตามความพอใจผลที่สุดได้มาบวทในพุทธศาสนาสุดท้ายช น, นะพระพุทธเจ้านิพพานแ้วประสงค์ขับไล่หนีไม่ให้อยู่ให้ไปอยู่ที่ไหนชุดแล้วแต่ใจไม่ให้ครคบคบกว่าอันบุคคลผู้นี้ ตะเกะจึงเกิดร้องไห้มุบลงไปขอไหวหวนพระสงฆ์หลายพระสงฆ์จึงในยอมปฏิกาตัดให้ว่าให้ฟังคําพระสงฆ์ทุกประการจึงจะให้อยู่ต่อไปตะแกะจึงไในตั้งใจอยู่กับพระสงฆ์ต่อไปปฏิบัติตั้งใจของตนจึงได้สาเร็จมรรคผลอันนี้ช น, นะกับฝึกฝน อันสิงที่ไม่ฟังคําใครๆทนั้นหากินไปตามพอใจจะของไฟว่าเนี่ก็ว่าเถอะถ้าไม่ฟังเสียงใครๆขอให้ได้กินก็เป็นการพอกินไปเรื่อยๆไม่รู้ดีนรู้ไรกับใครละได้กินก็เป็นพอไปเลยอันนี้สันนะฝึกฝนอย่างนั้นตลอดกันมาเป็นนิจัการนิชัยฝึกฝน อย่างนี้ตลอดกันมาเมื่อมาบวชในพุทธศาสนาชิกำบวนวินัยมากที่สุดของสัรณนะเพราะมันเป็นคนหยาบไม่ฟังใครๆทั้งนั้นในการความสุขความสบายกับมูพักพวกเพื่อนทั้งหลายไปอยู่ในทินใดสถานใดๆให้รับผลใ้รับความสุขความยินใจระกันในใดทั้งพวกเพื่อนฝูงตัวของเรา บุคคลผู้ทำอย่างนี้แปลว่าบุคคลสร้างบำเพ็ญบรารมีพร้อมตนตลอดกันไปบุญกุศลของตอนเพิ่มเติมบรารมีทร้อมตนตลอดไปเพราะเราทุกคนยังเป็นบุตรกุศลอยู่ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้นาทีมันจะเพิ่มความชั่วนาทีมันจะเพิ่มความดีให้แกจิตของตน ชีวิตใดที่ไม่ได้บัณฑิตเกิดขึ้นในโลกชีวิตนั้นต้องเพิ่มความชั่วตลอดกันไปชีวิตใดที่เกิดมาพบปะบัณฑิตชีวิตนั้นต้องเพิ่มความดีเช่นเวลาบัดเดี๋ยวนี้ชีวิตของพวกเราในพบปะบัณฑิตแล้วคือธรรมะขององค์พุทธเจ้าที่ได้วางไว้แล้วที้บอกหนทางความดีความชั่วทางสุขทางทุกข์ทางสวรรค์ทางนารก ทางเปรตทางผีทางสัตว์ในเดืฐานทางที่ไปมนุษย์เหล่านี้องค์พุทธเจ้าที่ได้วางไว้แล้วที่บอกให้เ ด, ดาดพวกเราเกิดมาแปลว่าได้ พ, พกภะธรรมะบัณฑิตในชีวิตของตนเวลาเดี๋ยวนี้จงต้องพากันตั้งใจเพิ่มเติมความดีของตน เพได้รับผลความดีต่อไปภายข้างหน้าพวกเราอันจะได้เกิดมาในโลกต่อไปภายข้างหน้าเพราะฉะนั้นอาจจะมาได้แสดงในเมตตาปารมีอุเปเกขาปารมีพอสมควรกับตลอดเลาอีวังกมิด้วยปกาลเสนี อายุวัฒคูธนวัฒคูชีลิวัฒคูเยสวาทัคูพลวัฒคูวันวัฒูสุวัฒูตุัาอายุวัฒกาธนวัฒกาิวัฒกาเยสวกาลวัฒกาววัฒกาสุวัฒกาตุัาอายุวัโสุังัย จิตนานตุมีก็เล่าเนีค่